Book 2 5ห้าสิบสี่ซื้อของอินกวิสดิฉันต้องการซื้อของขวัญแอคเวอ็กสเกนกวแต่เอาที่ไม่แพงมาก มอร์นี่ติดีร์นี่อาจจะเป็นกระเป๋าถือเมสกินอฮันซักคุณอยากได้สีอะไรว a ตเตอร์เคลียร์โซอีฟาสีดำสีน้าตาลหรือสีขาวสวาร์ทไพร์นออฟว ใบใหญ่หรือใบเล็ก A g r o t e n of a kleinkie? ขอดีฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ Mag ik die een s i e <S nie ang n a s s e b l i e f ใบนี้ทาจากหนังใช่ไหมคะ Is dit van leer g e m a a k หรือว่าทาจากพลาสติก Of is dit van p l a s t i k gemaakt? ทำจากหนังแน่นอนค่ะฟันเล e ่ยนน่าตื่นลใบนี้คุณภาพดีมากค่ะดิสเปซูนเดอร์เช่คุณลิต i t และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะดิดิฉันชอบค่ะ ดิฉันเอาค่ะดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการคุณจะ i ำได้ไ n มถ้าจำเป็นเราจะห่อของขวัญให้คุณ ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ